ช่วงนี้เราเรียนภาเวตาปธรรมในปฏิสัมพิธามัใน่ไโดยที่ยกข้อความมาจากทัสุตรัสูตรกล่าวถึงธรรมที่ควรเจริญเป็นหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าหมวดหกหมวดเจ็ดหมวดแปดหมวดเก้าหมวดสิบทัสุตรัสสูตรก็คือทัศสิบข้อแล้วก็แต่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เลยเรียกว่าทัาสุตระสูตร ในยกมาเฉพาะในส่วนที่เรียกว่าพาเวตปรธรรมธรรมที่ควรเจริญธรรมที่ควรทำให้มียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่มีอุปการะ เ, ะเกื้อกูลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามนำออกจากวัตทุกข์ได้พาเวตปรธรรมที่เรียกว่าธรรมที่ควรเจริญน น, นก็ สามารถแบ่งโดยปริยายต่างๆถ้าผู้ใดถือเอาหนึ่งะถ้าไม่ไม่ต้องการซับซ้อนเอาอันเดียวพอแล้วก็ให้ถือเอากายยัคตาสติสหรคตด้วยความสำราญแต่ถ้าต้องการเพิ่มอีกหน่อยเอาสองเอาสองประการก็คือสมถะกับวิปัสสนาถ้าใครต้องการเพิ่มเอาเป็นสามประการก็คือสมาธิสาม เท่าสี่ประการก็คือสติประธานสี่ห้าประการก็คือสมาธิห้าหกประการก็คืออนุสติหกถ้าเจ็ดประการล่ะโพชฌงเจ็ดแปดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเก้านวาปริสุทธิประธานนี่ยังคะก็คือองค์เป็นประธานแห่งความบริสุทธิ์เก้าประการถ้าสิบก็คือ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 อย่างไรก็ไม่ถึงพระนิพพานแน่นอนให้ขยันขนาดไหนก็ตามเพราะว่าศาสนานี้บรรลุด้วยอะไรแ้วองค์ที่ทาให้บรรลุนนั้นก็คือปฏิบัติถูกวิธีการโดยความเ ย, ยบคลายด้วยความรอบครอบตรัสรู้เพราะเ ย, ยบคลายตรัสรู้เพราะความรอบครอบไม่ใช่ตรัสรู้เพราะอะที่เรียกว่าส้มลดนะไหมราชรสมาเกยเรียกอะไร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 ความผิดอันนั้นหมายว่าถ้าเราสมมติว่าถ้ามียาดีแล้วทานรักษาโรคได้จริงๆรถามว่าการไม่รับประทานยาที่ถูกต้องนี่ถือว่าเป็นความผิดไหมผิดเพราะว่าจะต้องป่วยอีกนานฉันใดยาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยอง 8. ค์แปดที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมโอสถถ้าหากว่าเราบริโภคไม่ถูกนะไม่ตรงยาที่พระองค์แนะนาจริงๆ ไข่ในวัดตาก็ไม่เลิกไม่ราเน่ยนะไม่เลิกไม่ราอยู่นั่นแหละอยู่ในกองทุกนั่นแหละครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงธรำหกที่ควรเจริญคืออนุสติหกเนี่ยนะในมหานามะสูตรท่านแสดงว่าเป็นวิหารธรรมอนุสติหกนี้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายเครื่องอยู่หรือแปลภาษาไทยว่าที่อยู่ของพระอริยะว่าพระอริยะนั้นโดยมากท่านอยู่ด้วย พุทานุสติอยู่ด้วยธรรมานุสติอยู่ด้วยสังขานุสติอยู่ด้วยศีลานุสติอยู่ด้วยจาคานุสติและอยู่ด้วยเทวตานุสติเนีนะก็ทย้อนกลับมาถามพวกเราทั้งหลายว่าพระอาจารย์ถามคือเปรียบว่าพระอริยะทั้งหลายท่านมีที่อยู่ที่มั่นคงมาก อยู่ด้วยพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลาชาคาและเทวตานุสติที่อยู่ของท่านเหล่านั้นมั่นคงไม่คลอนแคลนเพราะท่านเป็นผู้เห็นอริยสัจธรรมของเรานี้ที่อยู่เป็นยังไงบ้างอะนะมีเสากี่ต้นถลมพัดซ้ายพัดหน้าพัดหลังเป็นยังไงงอนแงนหรือปก่้อนแคลนหรือเปล่าไม่ทราบอะนะก็ดูว่าวิหารธรรมคืออนุสติทั้งหลายของเรามั่นคงขนาดไหน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 ด้วยยาณาสัมปยุตด้วยความรู้ความเข้าใจการตามระลึกของเขานั้น่ะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานในการตามระลึกอันนั้นเนี่ยเจริญพุทธานุสติบ่อยๆทำมานุสติสังขานุสติสีลานุสติเทวตาจาคาอุปสมานุสติมัวแต่ตามนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเมื่อไหร่จะบรรลุบรรลุได้ไหมเออทาไมจึงบรรลุบรรลุได้ไหม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 ธรรมะหมวดเจ็ดที่เรียกว่าเป็นองค์แห่งการตรัสรู้องค์องค์ที่ทำให้เกิดการตรัสรู้หรือองค์ประชุมของท่านผู้ตรัสรู้อธิบายว่าพระอริยส า, าวกย่อมตรัสรู้ด้วยธรรมะสามัคคีแสดงว่าถ้าเขาไม่สามัคคีกันมิบรรลุไม่ได้แต่เมื่อกี้นี้พูดยกย่องสติอันหนึ่งในในธรรมะในคุณธรรมเหล่านั้นแต่ที่แน่ ธรรมะเหล่านี้ต้องสามะคีกันคือธรรมะที่ต้องสามะคีกันมีเจ็ดประการอะไรบ้างหนึ่งสติสองธรรมะวิจยะสามวิริยะสี่ปีติห้าปสาัสสพิหกสมาธิเจ็ดอุเบขาหรือตัตตะมัชตะตานั่นเองธรรมะที่เป็นองค์สามะคีที่เมื่อธรรมะสามะคีเหล่านี้ประชุมกันทำให้เกิดการตรัสรู้ได้นั้น ถือว่าเป็นธรรมะที่เป็นปฏิปักษต่ออันตรายมากมายนะเป็นปฏิปักษต่อสิ่งเลวร้ายที่อยู่ในใจมากมายเช่นความหดหู่ทีนมิทะนั่ยแหละปฏิปักษต่ออุทธจักความติดแน่นการสะสมวตะการมสุขัลิกานุโยกอตตกิระมัานุโยคเป็นปฏิปักษต่ออุเชธทธิฐิสัสถิฐิ ตออ่ออภินิเวสการยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิเพราวันอริยธรรมะสามัคคีทั้งเจ็ดประการนั้นเกิดขึ้นในขณะโล ก, กุตระมักนั้นทำลายปฏิปปะธรรมได้ธรรมะทั้งหมดนี้เลยเรียกว่าพุทธโพธิการตรัสรู้หรืออีกในหนึ่งว่าพุชติแปลว่าย่อมตื่นก็ได้เพราะผู้ที่บรรลุโพชงทั้งเจดเนี่ยนะตื่นจากความหลับตื่นจากความหลับ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 ลุกขึ้นเพื่อแทงตลอดอริยสัจทั้งสี่ประการอริยสัจนี้ใช้คำเน้นไปที่กิจเนี่ยนะกิจในการกําหนดรู้ละทำให้แจ้งและการเจริญหรือนิพพานะสัจฉิกิริยาการกระทำพระนิพพานให้แจ้งการทำพระนิพพานให้แจ้งองค์แห่งการตรัสรู้กล่าวคือธรรมะสามคีนั้นนะชื่อว่าโพชังคาบ้างที่เรียกว่าโพชังคาเนี่ยนะมาจากโพช โพธิบวกอังคะนั่นแหละก็คือการตรัสรู้เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบเหมือนอะไรเหมือนชานก็มีองค์ของชานปฐมฌานก็มีองค์ทุติยะฌานก็มีองค์ก ต, ติยะฌานก็มีองค์อริยมรต ก, ก็ยังมีองค์ของมรันใดโพชงก็เหมือนกันมีองค์แห่งโพชงอริยสาวกตรัสรู้ด้วยธรรมะสามคีมีประการดังกล่าวแล้วท่านเรียกว่าโพธิ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 อีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบอัฏฐะแห่งโพชฌงเป็นต้นว่าชื่อว่าโพชฌงเพระอัฏฐว่าอะไรชื่อว่าโพชฌงเพระอัฏฐว่าย่อมเป็นไปเพื่อการตรัสรู้อันนี้เป็นข้อความที่ภาษาดิบุตรแสดงไว้ในปฏิสัมพิธามมรรคเป็นต้นที่เรียกว่าโพชฌงเชื่อว่าโพชฌงเพราะองค์ที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เพราอถ้าไม่มีองค์เหล่านี้แล้วตรัสรู้มีได้ไหมไม่ได้